น้ำเป็นปัจจัยสำคัญของมนุษย์และสัพพชีวิตไม่ว่าจะใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคการประกอบอาชีพทั้งการเกษตรอุตสาหกรรมหรือการบริโภคเพื่อดำรงชีวิตทรัพยากรน้ำจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้น้ำคือชีวิต จึงเป็นพระราชปณิธานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอ ด, ดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ความสําคัญด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยราษฎรดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรน้าจึงเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ทรงทุ่มเทพระวรกายในการศึกษาวิจัยและพัฒนา จนก่อให้เกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เป็นประโยชน์นานับประการกรมทรัพยากรน้ําจึงมุ่งเน้นการบริหารอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาและแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ําอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยดําเนินการบริหารจัดการน้ําตามแนวพระราชดําริราครอบคลุมพื้นที่นอกเขตชลประธานให้ประชาชนได้มีน้ําใช้เพื่อการอุปโภคบริโภครวมถึงน้ําเพื่อการเกษตรอาทิย์ การสร้างฝายเสริมระบบนิเวศการบริหารจัดการน้ำท่วมผ่านการเตือนภัยน้ำหลากดินถล่มการสร้างแหล่งน้ำต้นทุนผ่านโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำการจัดการระบบคลองน้ำดื่มทายคลองช้าการสร้างกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริน้ำคือชีวิตควรคิดก่อนใช้